บุค <Book> 2สองสสมาชิกครอบครัวปู่ตาญาติลิมย่ายายบับูลเขาและเธอ ยนแลยานาพ่อบัตติะแม่มาที่เขาและเธอยนอลยานาลูกชายซึนลูกสาวดัช เขาและเธ อ, อนะพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวสาเขาและเธ อ, อนะลุงอาณา กป้าอานาทีกเขาและเธอยนอนาเราเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวที่ไม่เล็กาลาครอบครัวใหญ่ ส емья ใหญ่ a ก่